เรื่องนี้เป็นเรื่องที่นายพิพัฒน์คนขับแท็กซี่เล่าให้นายอานันต์ฟังและนายอานันต์ได้บันทึกไว้ทุกถ้อยคำเฮ้ยนี่มันเรื่องยอกย้อนวนเวียนครับนายพิพัฒน์ว่าผมกลายเป็นคนที่ต้องซุกซ่อนตัวหนีอาญาแผ่นดินอยู่นานผมจะเล่าให้ฟังตั้งแต่ดั้งเดิมมาเลยทีเดียวผมมีอาชีพขับแท็กซี่อย่างนี้แหละครับวันหนึ่งตอนกลางคืนราวๆสี่ห้าทุ่มผมก็รับผู้โดยสารจากฝั่งพระนครให้ไปส่งที่บางพลัด พอส่งคนเสร็จแล้วผมก็วิ่งรถกลับเวลานั้นถนนว่างมากไม่ค่อยมีรถผมก็เลยเร่งจะรีบข้ามน้ำข้ามทะเลไปที่ฝั่งกรุงเทพเพราะว่าจะเอือยอยู่ก็ไม่มีคนจะจ้างหรอกครับดึกแล้วใครจะเรียกรับผมก็รีบบึ่งมาอย่างรวดเร็วพอผมจะเลี้ยวโค้งเท่านั้นแหละในความมืดเนี่ยมีผู้หญิงคนนึงวิ่งเข้ามาหารถผมอย่างเร็วไฟหน้ารถของผมเนี่ยมันสว่างมากส่องสว่างเห็นเขาได้ถนัดชัดเจน ผมก็มองดูว่าเป็นใครที่ข้ามถนนมาแกก็มองดูผมแท้ๆครับจะว่าแกข้ามถนนโดยไม่เห็นรถอย่างไรเล่าไฟหรือก็ออกสว่างเจ้าพุ่งไปไกลแต่เวณกรรมของผมแล้วก็ของแกครับผมจะหยุดแล้วก็เบี่ยงหลบแกอย่างไรทัน ผมวิ่งมาเต็มที่เบาเครื่องไม่ทันผมก็โดนแกเต็มที่แกก็กระเด็นไปหลายวาลอยลี้วไปปะทะกับเสาไฟทั้งเสียงที่รถผมโดนแกก็ดังสนัน่นและตัวของแกก็กระเด็นไปปะทะเสาไฟก็ดังพลักใหญ่เลยก็ไม่มีใครได้ยินหรือรู้ผมตกใจก็เลยเบาเครื่องนิดหน่อยแต่พอหนึกว่าผมฆ่าเขาตายซะแล้วทําให้ผมเนี่ยหมดความคิดจะเป็นพลเมืองดีเลยคุณครับ ผมก็เลยรีบเร่งเครื่องเพนนี้เลยหัวใจเนี่ยเร่าร้อนกลัวอาญาเป็นกำลังผมขับกลับที่พักที่อยู่กับเพื่อนผมหยุดรถแล้วก็ลงตรวจรถอย่างใจเต้นแรงแล้วก็ถี่หายใจไม่ออกแต่โชคช่วยครับผมเนี่ยรถไม่เป็นอะไรเลยไม่มีบุบที่ตรงไหนเลย หน้าประหลาดชนดังราวกับฟ้าผ่าผมค่อยโล่งใจที่ไม่มีพยานเป็นรอยบอบช้าอยู่ที่ของกลางผมก็เลยออกรถตรงไปที่เจ้าของรถที่ผมเช่าแจ้งกับเขาว่าผมเนี่ยเกิดจะเป็นไข้ขึ้นกระทานหันขอส่งรถก่อนแล้วผมก็ขึ้นรถอื่นกลับบ้านพักบอกกับเพื่อนว่าไม่สบายแล้วก็เข้านอนเลยแต่ผมนอนไม่หลับเลยครับใจมันไม่ยอมหลับ ใมันก็ยังคงหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลามาหลับเอาตอนเช้าๆใครในบ้านพักรู้ว่าผมไม่สบายจึงไม่มีปัญหาอะไรมาว่าผมอะไรทำไมไม่ออกรถข่าวรถชนคนตายแล้วขับหนีก็ไม่มีครับผมทำนอนเจ็บแล้วก็ทำแข็งใจไปหาหมอเพื่อฟังข่าวดู ทั้งหนังสือพิมพ์ก็ไม่มีข่าวพาดหัวผมก็เลยทําป่วยอยู่3าวันข่าวก็เงียบหายไปแต่ผมเนี่ยกลับได้ข่าวไปอีกคนละเรื่องมีพวกคนขับรถรับจ้างนี่แหละพูดกันว่ารถคันที่ขับนั้นไม่ดีเคยชนกันมาแล้วครั้งก่อนเจ้าของรถเนี่ยเป็นผู้หญิงขับเองชนกับรถบรถบรทุกเหล็กเส้นคอนกรีตเหล็กทํากระจกแตกแล้วก็ทิ่มคอคนขับหญิงเนี่ยตายคารถรถคันนี้ก็เลยถูกซ่อมแล้วก็ขายมากับเจ้าของรถเช่าถ้าใครเอารถคันนี้ขับ ไปก็เกิดชนคนเสมอพอผมรู้แบบนี้แล้วก็เลิกขับรถคันนี้เลยฮะใจคอผมมันไม่ค่อยดีครับก็เลยไม่ได้สมัครใจที่จะขับรถแท็กซี่อีกแล้วคิดหาทางขับรถบ้านที่เขามีรถใหม่ๆไม่มีผีสิงเรื่องรถชนคนตายเนี่ยเงียบจริงๆถ้าจะไม่ตายแน่นอนซะแล้ว ยายผู้หญิงคนนั้นก็คงเพียงแค่สลบเมื่อแกฟื้นขึ้นเองแกก็กลับบ้านแกแต่ที่ไม่แจ้งความกับตำรวจก็คงไม่รู้ว่าเป็นรถใครแล้วก็เลขทะเบียนรถก็ไม่รู้เหมือนกันหรือไม่อีกทีนึงก็เกิดจากแก อ, อยากตายเองผมเห็นชัดๆเลยนะว่าแกนี่ตั้งใจวิ่งมาให้รถชนแกวิ่งมาหารถทั้งที่มองดูรถอยู่แล้วก็แสดงว่าแกต้องการยืมมือผม เ, เป็นเพชฌฆาตแต่เอคุณครับ จะเป็นไปได้อย่างไรกันครับรถชนเสียงดังสนั่นวันไหวแม้ไม่ตายก็ลุกไม่ขึ้นแน่แน่กระดูกกระเดี่ยวนี่คงกรอบหมดถ้ามีคนมาพบแกนอนสลบอยู่แล้วพาส่งโรงพยาบาลก็น่าจะมีข่าวนะครับการที่ข่าวเงียบนี่เองทำให้ผมเนี่ยเกิดหวาดระแวงไปต่างๆแต่ว่าฐานะของผมจะอยู่เฉยๆได้โดยไม่ขับรถก็ไม่มีกินครับผมก็เลยสืบเสาะดูว่ารถบ้านที่ใดขาดคนขับบ้างผมจะไปสมัครขับรถ ก็พอดีได้ข่าวว่านายตำรวจคนนึงเนี่ยรถแกเนี่ยขาดคนขับเพราะว่าคนขับลาออกไปมีอาชีพทางอื่นนายตำรวจคนนี้เนี่ยบ้านอยู่ในซอยทุ่งมหาเมฆผมก็เลยบุกบันไปแต่บังเอิญเหลือเกินครับว่ า, ารถของแกเนี่ยมันจะว่างคนขับตอนกลางคืนตกลงใจว่าจะเดินทางไปหาบ้านแกซะก่อนถามใครต่อใครดูว่าบ้านแกอยู่ที่ไหนแล้วก็จะไปสมัครงานตอนกลางวัน ผมก็กลายเป็นคนกลัวคนไม่ได้จะไปไหนที่แจ้งแจ้งก็กลัวใครจะจำได้กลัวไปทุกสิ่งทุกอย่างสารพัดสารเพออะไรต่ออะไรไม่รู้ความจริงเรื่องมันก็ลึกลับไม่มีทั้งข่าวไม่มีคนรู้ไม่มีคนเห็นทุกๆอย่างแต่ผมก็เป็นวัวสันหลังหวะอยู่ดีนั่นเองในซอยทุ่งมหาเมฆนี่เป็นบางตอนไฟสว่างน้อยบางตอนก็สว่างมากผมเดินหลีกกับผู้คนไม่ค่อยจะไหวคนเยอะจริงๆครับสวนกันไปสวนกันมา แต่มีมนุษย์ประหลาดอยู่คนหนึ่งรูปร่างเตี้ยกว่าผมขากระเพกหน้าเซี้ยมผอมตาลึกคนนี้เนี่ยเป็นชายอายุกลางคนแก่เดินสวนกับผมผมเห็นแกแต่ไกลแล้วละ่ะตอนนั้นคนก็เดินห่างๆกันไม่แน่นถึงกับจะเดินหลีกกันอย่างชิดๆผมเห็นแกเดินเฉียดผมเหลือเกินผมก็เลยมองแกแกก็เงยหน้ามามองผมเพราะแกเตี้ยกว่าแกมองผมแล้วแกก็เดินหลีกไปผมก็หลีกมาเพราะยังหาบ้านนายตํารวจนั้นไม่พบแต่ว่าพฤติกรรมเนี่ยประหลาดจริงคุณ ในอีก 2-3 สนาทีนั่นเองอีตาขากระเพกคนนั้นก็เดินสวนกับผมอีกผมก็คงมองเห็นแกแต่ไกลชเช่นเดียวกันกับครั้งแรกเดินกระเพกกระเพกมาแล้วก็เดินเฉียดใกล้มาอีกอย่างไม่จำเป็นอีกนั่นแหละพอชิดกันแกก็เงยหน้าดูผมอีกผมก็มองแกผมก็ชักฉงนใจเพราะจะว่าเป็นคนที่มีลักษณะท่าทางเหมือนกันหน้าตาอย่างเดียวกันนั้นก็ย่อมจะมีแต่ว่าเอ๊ะทไมเขามีพฤติกรรมเช่นเดียวกัน พอเดินเฉียดเข้าใกล้ก็เงยหน้ามองผมแต่ครั้นจะว่าเป็นคนคนเดียวกันก็ไม่น่าจะเป็นแกก็สวนทางกับผมสองหนหนแรกว่าสวนกันแน่ละแต่แกก็แอบเดินขึ้นหน้าผมไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ก็เลยเดินย้อนกลับมาสวนกันอีกแกก็ไม่ใช่คนเดินเร็วซะด้วยจะได้เดินย้อนไปอีกได้อย่างรวดเร็วจนผมไม่เห็นแกทั้งการเดินกระเพกของแกก็เป็นที่สะดุดตาออกแบบนี้ทาไมผมไม่เห็นแกเดินย้อนไปต้นทางอีก มันพิสดารอะไรเช่นนั้นคุณครับระหว่างผมเดินคิดอยู่นั่นเองมาอีกแล้วครับคนเก่านั่นแหละจะมีอาการแล้วก็พฤติการอย่างเดียวกันผมเนี่ยถึงกับขนลุกเกลียวแต่ไม่ได้คิดว่าเป็นแกหรือว่าเป็นผีหลอกผม ผมก็ใจประหวัดไปคิดว่าผมถูกคนตามดูหรือว่าสะกดรอยซะแล้วอิตานี่คงจะรู้จักกับผมแล้วก็รู้เรื่องที่ผมขับรถชนคนแล้วก็รีบหนีผมก็ชักประหวั่นใจคนมันเป็นวัวสันหลังหวะนะครับผมก็ชักจะเดินเร็วเข้าคิดว่าถ้ามีรถแท็กซี่มาสักคันหนึ่งก็จะรีบขึ้นแล้วก็หนีไปให้เร็วขอให้พ้นจากบริเวณนี้สัทีแต่ก็ไม่พ้นครับอิตาน้านี้เดินตามผมได้อย่างทันอย่างประหลาดพอแกลีกขึ้นหน้าผมแกก็หยุดยืนขวางหน้าผมทําให้ผมหยุดชะงัก ถ้ารักสงบจงอ่านหนังสือฉบับนี้อิตานั่นพูดแล้วก็ยื่นกระดาษให้ผมนี่ก็ยืนอึง้งไม่กล้าจะรับกระดาษแผ่นนั้นในมือแกแต่แกก็ยังชูกระดาษแผ่นนั้นอยู่แล้วแกก็พูดว่าเอารับสิถ้าไม่อยากจะถูกจับฐานฆ่าคนตายผมเนี่ยถึงกับสะอึกเมื่อได้ยินคนํานี้ผมถูกติดตามจากหญิงที่ผมขับรถชนนั้นแน่นอนอิตานี่คงจะรู้เรื่องผมดีก็เลยสะกดรอยตามผมแบบนี้ผมเข้าตาจนแล้วครับคิดจะวิ่งหนีเอาซึ่งซึ่งหน้า แต่ถ้าแกร้องขึ้นผมก็คงจะถูกประชาชนแถวนั้นสกัดจับทั้งผมเองก็ไม่รู้ทางหนีทีไล่ของตำบล น, นั้นเลยในที่สุดผมก็ต้องจำใจยื่นมือไปรับกระดาษแผ่นนั้นจากมือตาแก่ร่างกายอับประลักอ่านที่เสาไฟนู่นสิแกชี้มือบอกผมผมเดินไปหาแสงไฟอย่างว่าง่ายแกก็คงยืนคอยผมอยู่ที่เดิมในกระดาษแผ่นนั้นมีอักษร อ, อยู่ว่านายพิพันายขับรถชนฉันแล้วหนีฉันยังไม่ตายฉันยังมีชีวิต จงมาหาฉันเพื่อทำการตกลงกันถ้าไม่มาฉันจะแจ้งตำรวจฉันมีพยานรู้เห็นดีทั้งจําทะเบียนรถได้ด้วยผมอ่านจบแล้วยืนอึง้งแต่สินใจไม่ถูกถ้าจะไปหาเธอผมอาจจะถูกมัดถึงกับดิ้นไม่หลุดแต่ถ้าไม่ไปผมก็ถูกแจ้งความตำรวจก็จะมาจับผมในโทษฐานขับรถชนคนแล้วหนีมีน้ำหนักโทษอย่างหนักผมจะทาอย่างไรดีในที่สุดก็คิดว่าควรไปดีกว่าเผื่อจะมีทางผ่อนผันกันบ้าง ไปดีกว่าตานั้นเตือนสติผมอยู่ไหนผมไม่รู้จักผมก็ตอบตาคนนั้นไปอะตามฉันมาสิแกก็บอกผมอ้าวตกลงผมบอกแกอย่างตัดสินใจเด็ดขาดแล้วแกก็เดินนำหน้าผมไปในซอยหนึ่งซึ่งเป็นซอยมืดมืดแต่ก็พอจะมีแสงไฟจากบ้านคนอื่นส่องทางอยู่บ้างนะครับผมเดินตามแกไปจางอย่างใจเลื่อนลอยจนมาถึงบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านสองชั้นมีแสงไฟอ่อนๆไม่ค่อยสว่างสวยัย อิตานั่นก็หยุดยืนครับแล้วก็เอามือล้วงเข้าไปในช่องประตูที่ทำเป็นซี่โปร่งตอนบนบานประตูก็เปิดออกแกก็กระเพกกระเพกนำผมขึ้นบ้าน2ชั้นนั้นไปที่ชั้นบนผมสังเกตเครื่องบ้านไม่มีอะไรใหม่ๆเลยมีแต่ของเก่าๆทั้งนั้นของทั้งหมดเนี่ยล้าสมัยแม้แต่เก้าอี้แบบก็เก่าทั้งชุดแล้วก็บุบสลายจนพังน่าจะขายเหมาไปแล้ว คั้นถึงชั้นบนก็พบผู้หญิงคนหนึ่งผิวขาวอายุราว30ปีนั่งอยู่บนเก้าอี้เธอมองผมอยู่ก่อนแล้วอย่างกิริยาขึงๆผมก็รีบยกมือไหว้เพราะวา่าเขาเนี่ยเป็นต่อเรามือไม้ก็ต้องอ่อนไว้เธอก็รับไหว้ผมแล้วก็ชี้ให้ผมนั่งที่เก้าอี้ตัวหนึง่งพอนั่งลงไปก็รู้สึกว่านวมที่หุ้มนั้นเนี่ยมันขาดแล้วก็มีเหล็กลวดสปริงเนี่ยตำก้นเล็กน้อยแต่ก็พอทนก็เลยนั่งเฉยนายนิดว่าฉันตายแล้วใช่ไหม เธอตั้งปัญหาถามเป็นคำทักทายผมก็อึกอัดพูดไม่ออกจะว่าใช่ตามที่เธอถามก็ไม่เหมาะจะว่าไม่คิดว่าตายก็ตอบไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าเธอตายหรือว่ายังไม่ตายก็ผมชนแล้วก็รีบหนีไปเอาอย่างงี้เถง่ายๆเธอจะต้องขับรถแล้วก็แบ่งรายได้มาเลี้ยงฉันบ้างฉันมีผัวแต่ผัวแอบไปมีเมียใหม่ทิ้งฉันให้อดๆอยากๆถ้าเธอทําได้ฉันก็จะไม่แจ้งความเธอพูดคนเดียว ผมยังตอบไม่ออกโดนไม้นี้เข้าต้องตรึกตรองถ้าเธอคิดจะหารายได้แบบวิ่งให้รถชนเพื่อที่จะให้ตัวเองบาดเจ็บแล้วก็บังคับให้ส่งรายได้เลี้ยงดูเธอก็ถ้าหากเธอตายจริงๆล่ะไม่ตายเปล่าเลยเหรอแต่เธอจะแน่ใจได้อย่างไรว่ารถผมเนี่ยชนเพราะว่าตอนนั้นไม่มีใครแถวนั้นทั้งเธอก็กระเด็นไปฟุบอยู่อย่างไม่กระดุกกระดิก เธอจะเอาแน่นอนอะไรเล่าว่าผมคือคนชนเธอแต่ครั้นผมจะตอบว่าไม่รับก็ดูผิดมนุษย์ที่หาศีลธรรมไม่ได้หากตอบเร็วไปก็ถ้าเธอไม่มีหลักฐานอะไรจะมัดผมอย่างแท้จริงผมก็มิกลายเป็นให้เธอกดคอผมกินอยู่ตลอดไปอย่างนั้นหรออย่าคิดว่าฉันไม่มีพยานเลยเธอพูดสำเนียงเยาะผมนิจัยหายวูบเธอทายใจผมออกทั้งๆ ท, ท, ที่ผมไม่ได้พูดอะไรสักคําเดียวฉันมีพยานอยู่แล้ว ถ้าไม่เช่นนั้นฉันจะตามมาพบเธอได้ยังไงล่ะจะมีสัญญานานเท่าใดครับผมก็ถามไปโดยหมดทางสู้เพราะว่าเป็นความจริงอย่างที่เธอว่าถ้าเธอไม่รู้ว่าผมชนเธอทำไมเธอจะต้องตามตัวผมถูกด้วยอ๋อเธอคิดว่าฉันจะกดคอเธอกินไปตลอดชาติเหรอเธอถามผมขนลุกด้วยความละอายใจก็เลยก้มหน้าหลบตาเธอเธอผัวฉันส่งเงินมาเธอก็ไม่ต้องช่วยแต่ว่า ถ้าเธอเกิดจะเมตตาต่อคนที่เธอเกือบจะฆ่าตายอยู่แล้วก็ตกลงกันได้ไม่ใช่หรอเธอพูดใช่ครับผมตอบอย่างหมดท่าทางที่จะตั้งแง่ปัญหาอะไรอีกย้อนถามกลับไปที่เธอว่าจะทําสัญญากันอย่างไรครับสัญญาใจเธอพูดสั้นๆดูช่างมีอํานาจประกอบกับกิริยาขรึมๆ ข, ของเธอเอากันว่าเธอรับปากก็ใช้ได้ไม่ต้องมีการเขียนสัญญาแต่อย่างไรเพราะเธอปัดสัญญาไม่ได้ ฉันจะตามเธอทั่วไปและจะแจ้งตำรวจเมื่อเธอไม่รักษาคำพูดตกลงครับผมตอบสัญญาเพราะไม่มีทางใดดีกว่านี้และก็เป็นมนุษยธรรมที่พึงจะกระทําต่อผู้ที่ได้รับความทุกข์เท่าที่ผมขับรถชนเธอแล้วก็หนีนั้นมีได้เกิดจากที่ความไม่มีจิตของมนุษยธรรมเลยหากเป็นไปโดยความตกใจก็เลยกลายเป็นคนที่ใจร้ายหมดศีลธรรมหมดฉันไม่ต้องการเงินของเธอหรอกนะเธอพูดในขณะที่ผมกําลังก้มหน้าอยู่ ฉันต้องการแค่อาหารแล้วก็เพียงพอแก่คนสองคนที่นำเธอมาเท่านั้นเองจะมีมากมีน้อยไม่สำคัญขอให้มีก็พอผมใจหายว่าอานิจจาเธอต้องการเพียงเท่านั้นถ้าผมทำไม่ได้ก็อย่าใช้ใจมนุษย์ซะเลยเถิดย่างนั้นผมจะเริ่มตั้งแต่บัดนี้ผมจะไปจัดหามาให้ผมพูดเสร็จผมก็ลุกขึ้นยืนเธอก็ไม่ทักท้วง ผมก็เลยลงมาชั้นล่างบอกกับอีตาขาพิการเนี่ยว่าจะไปซื้ออาหารมาให้ผมยังมีเงินเหลือใช้อยู่พอสมควรก็เลยรีบมาหาซื้ออาหารตามร้านแล้วก็มีอาหารแห้งบ้างขนมแห้งบ้างกลับไปที่เดิมแต่แก่นั้นก็ยืนรอผมอยู่ที่หน้าประตูก็เลยมอบของให้แกเพื่อที่จะให้แกนีนนำไปข้างบนผมกลับไปเล่าเหตุการณ์ที่ผมได้กระทาความผิดเกี่ยวกับรถชนคนแล้วก็หนี ที่สุดเขาก็ไม่ตายและก็จำตัวผมได้ขอให้ผมส่งเสียอาหารให้ตามสัญญาโดยไม่มีการเอาความกันเพื่อนผมก็ถอนใจยาวแล้วก็บอกว่ากแกน่ะพบคนดีถ้าพบบางคนที่แย่หน่อยนะไม่น่าล่ะแกทำป่วยไม่ยอมขับรถอีกที่แท้ก็เกิดอารมณ์ปอดนี่เองปอดจริงๆว่ะหลับตามันก็เห็นแต่ภาพนั้นก็เลยไม่กล้าจะขับรถแต่ว่าต่อไปก็ต้องขับรถแล้วล่ะไม่เช่นนั้นก็คงจะไม่มีเงินไปส่งอาหารเขาน่าแปลกนะ เขาอยู่ที่ทุ่งมหาเมฆแต่แกไปขับรถชนเขาที่ฝั่งทนเออจริงแฮะแต่ว่าคนเราก็อาจจะมีธุระไปที่นั่นก็ได้นี่จะว่าแกเคาะร้ายก็ไม่เชิงอ้วะว่าลือได้ทำบุญเว้ยอืมถ้าเคาะร้ายก็คงจะติดตารางนะในวันรุ่งขึ้นผมก็ออกขับรถรับจ้างตามเคยแล้วก็ไม่ลืมว่าจะต้องไปส่งอาหารตามสัญญาโดยส่งให้ตาแก่นั้นบ้างแล้วก็ส่งให้กับเธอบ้าง ห ล, หลายวันเข้าก็ได้พูดคุยกันผมไม่ลืมจะถามเธอว่าวันที่ถูกรถชนนะ่ะคุณไปที่ไหนกันครับแถวบางพลัดอ๋อไปตามหาพ่อเจ้าประคุณของฉันเราเกิดทะเลาะกันฉันก็เลยโมโห ว, วิ่งออกจากบ้านเขาจะข้ามถนนมหาอาของฉันเธอชี้ไปที่คนแก่นั่นก็เลยถูกรถของเธอชนไงอาของฉันก็ยืนคอยอยู่คนละฟากผมถอนหายใจยาวเป็นแบบนี้นี่เองผมมีพยานโดยไม่ทันได้สังเกต เรากินอาหารกันเธอก็ชวนผมคุยข้างบนเพราะเราชักจะคุยกันถูกคอและไม่ต้องห่วงเรื่องรถเพราะว่าซอยนี้เป็นซอยตันไม่มีรถใครเข้าออกและผมก็ล็อกรถไว้แล้วเรียบร้อยก็เลยขึ้นไปคุยกับเธอได้นานเธอถามถึงรายได้ประจําวันผมก็ตอบเธอไปว่าไม่แน่บางวันก็ได้มากบางวันก็ได้น้อยเพียงให้ค่าเช่าแล้วก็เหลือไม่กี่บาทแล้วแต่โชคเราคุยกันไปจนเผลอเสียงฝีเท้าคนเดินขึ้นบันไดามาและเจ้าของเสียงนั้นก็โผล่ขึ้นมา เป็นผู้ชายอายุจนๆ40ปีสีหน้าเฮี้ยมเกรียมเมื่อมองเห็นเราทั้งสองอยู่ด้วยกันเขาก็ชี้หน้าผู้หญิงคนนั้นยังดุเดือดและตะคอกเสียงลั่นอินอรกที่สุดมึงก็มีชู้อีกเขาตาวาดแล้วก็ยืนจังก้าฮะฝ่ายผู้หญิงลุกขึ้นผมเองก็ต้องลุกขึ้นบ้างท่าทางมันเข้าได้เข้าเข็มซะละอยู่ๆมหาเรื่องกันแบบนี้สงสัยใจว่าถ้าจะถูกพวกนี้กระทาการนัดหมายกันมาแบกเมผม พูดกันดีๆสิอย่าทําบ้าๆแบบนี้ผู้หญิงคนนั้นพูดแต่ว่าสีหน้าซีดถูกแล้วอย่ามาเมาเอาง่ายๆแบบนี้สิผมพูดฮ่าอย่าพูดแกยังไม่เกี่ยวข้าจะพูดกับเมียข้าเขาพูดพร้อมกับตาลูกวาวอ่าตำตาแบบนี้มึงจะว่ายังไงเขาเอาเข้าวมาให้กูกินมึงไม่ให้กูกินฝ่ายเมียขึ้นเสียงและก็เป็นความจริงดังนั้น ช, ชัดชาชูเอาเข้าวมาให้กินเขาสํารากออกมา แล้วก็ในช่วพลิบตานั้นโดยทั้งผมและฝ่ายเมียจะรู้ตัวเขาได้ชักมีดออกมากระโดดเข้าจ้วงแทงถูกคอหอยโดยทันทีฝ่ายหญิงล้มลงตาตั้งเลือดพุ่งกระฉูดเป็นน้ำพุเมื่อเขาชักมีดออกโดยเร็วผมเองก็ต้องตกตะลึงไอ้บ้าเลือดนี่หมุนตัวมาหาผมคราวนี้มึงละผมเริ่มหายตะลึงเพราะเข้าตาร้ายซะแล้วมันมีมีดผมมือเปล่าแต่ก็ยังมั่นใจอยู่เพราะผมเคยเป็นนักมวย ก็จะต้องป้องกันตัวไปตามการถ้าพลาดท่าไปก็อีกศพหนึ่งในระยะไม่ทันจะหายใจทั่วท้องมันโดดจ้วงแทงผมเต็มเหนี่ยวผมใช้วิธีการต่อสู้เอี้ยวหลบอย่างหุดวิดมันแทงผิดแล้วก็เซหัวทิ่มไปแต่มีดมันยังถือแบบมั่นคง ผมจะเข้าไปทำอะไรมันยังไม่ถนัดพลาดพลั้งอาจจะถูกแทงสวนมาก็ได้ผมก็เลยตั้งท่าคอยทีมันอยู่ทันทีนั่นเองมันก็โดดสวนแทงผมอีกผมใช้เท้าเตะมันมันเสียหลักล้มคว่ำลงไปผมยืนตั้งท่าคอยอยู่อีกแต่มันก็ไม่ได้ลุกขึ้นมาผมยืนคอยด้วยความแปลกใจคิดว่าถ้าจะหนีไปซะตอนนี้แต่ก็ยังห่วงกลัวว่ามันจะตามมาแทงข้างหลังผม ผมก็เลยหมุนตัวเข้าเตะอย่างแรงขณะที่มันคุกเข่าคู้ตัวลงร่างมันก็งายตามกำลังแรงเตะของผมจึงรู้ว่ามันถูกมีดของมันเองเนี่ยเข้าตรงลิ้นปี่พอดีผมถึงกับยืนงนันหันมองแม่หญิงนั้นนอนอ้าปากตาค้างเธอขาดใจตายซะแล้วเลือดไหลแดงฉานเอาละสิตายทั้งคู่เอาละสิผมถ้าผมอยู่ใครจะเชื่อว่าผมไม่ได้ฆ่าเขาตายแล้วผมตายแล้วผมเป็นฆาตกรอยู่ไม่ไหวแล้ว ผมหมุนตัววิ่งลงบันไดใครขวางเป็นเอาทั้งนั้นเป็นตายขอไปให้พ้นบ้านนี้ก่อนอิตาอาแก่นั่นไปไหนก็ไม่รู้ผมวิ่งลงจากบ้านโดดเข้ารถติดเครื่องได้อย่างง่ายดายทันใจจริงๆผมไม่ลืมดับไฟท้ายพุ่งรถออกพอเลี้ยวเข้าซอยใหญ่ไปหน่อยจึงเปิดไฟท้ายผมขับมาอย่างใจเต้นราวกับตีกลองไม่หันไปมองดูใครทั้งนั้นเลี้ยวโน่นเลี้ยวนี่อ้อมถนนต่างๆไม่ให้จับรอยได้จนมาถึงบ้านเพื่อนหอบและเหงื่อเม็ดโตๆพราวตัว ผมเห็นหน้าเพื่อนแล้วพูดไม่ออกสะกิดเขาไปทางหลังบ้านแล้วเล่าให้เขาฟังโดยเหนื่อยหอบเพื่อนตาเหลือกแกเอารถมาที่นี่ทำไมควรเอาไปส่งเจ้าของเขาเพื่อนผมมันบอกกันปอดซะเลยผมพูดเพื่อนผมนิ่งอยู่สักครู่หนึ่งขมวดคิ้วใช้ความคิดที่เขาเคยว่องไวในปฏิญาณแกไปเก็บเงินของแกไปให้หมดเลยนะเอาเสื้อเอากางเกงเอากระเป๋าของแกไปเร็วฉันจะไปส่งรถกับแกที่เจ้าของ บอกว่าแกนี่จับไข้กระทานหันฉันต้องขับมาส่งแล้วเราค่อยหาแท็กซี่หนีไปแกควรไปทางเมืองชนนะหารถไปง่ายกว่าไปทางอื่นในสักครู่นั้นเขากับผมก็ขับรถไปที่เจ้าของซึ่งดูปลอดภัยดีจริงๆพอส่งแล้วผมทำกอดอกคูณตัวหนาวอย่างจับไข้เพื่อนผมหิ้วกระเป๋าให้ผมและพูดว่าหรือต้องไปนอนกับหมอนะถ้าขืนไปนอนบ้านไข้กินตายแน่เขาพูดไปทางนั้นผมชอบใจเหลือเกินเขามีปฏิญาณดีมาก ถ้าพูดว่าเป็นไข้ทำไมถึงมีกระเป๋าเดินทางมาด้วยคำที่ว่าไปนอนกับหมอนั้นหมายถึงหมอที่รู้จักกันพอจะไปนอนให้เขารักษาโรคโดยใกล้ชิดเมื่อออกมาผลบ้านเจ้าของรถและเพื่อนผมพูดกับผมเบาๆหรือไปซ่อนตัวอยู่กับเพื่อนทางศรีราชาเถอะเข้าไปอยู่ซะในป่าคอยฟังเหตุการณ์ดูอัวอยู่ทางเนี้ยเดี๋ยวจะสืบสวนฟังข่าวให้หรือบอกตำแหน่งเกิดเหตุให้อัวทีผมได้บอกตำบลแล้วก็ตำแหน่งแห่งที่บ้านบรมวินาศนั้นอย่างแจ่มแจ้งต้องไปเสียเดี๋ยวนี้นะ ถ้าช้าไปจะไปไม่ได้ถ้าใครรู้เรื่องก็จะมีการสั่งตรวจดานแล้วหรือก็จะไปไม่รอดเขาสั่งการอย่างถี่ถ้วนพอรถแท็กซี่วิ่งมาผมก็เลยว่าจ้างไปเมืองชนเพราะมีบ้านเพื่อนกันอยู่ที่นั่นหลายคนการไปรถในเวลากลางคืนในภาคนี้ไม่สะดุดตาสะดุดใจใครนักเพราะว่าเป็นแดนตากอากาศย่อมมีคนไปมาตลอดคืนทั้งผมก็เปลี่ยนเครื่องแท็กซี่ออกแล้วก็ที่บ้านเพื่อนจึงไม่มีการสอบพิรุษอย่างใด เพื่อนผมเขาก็กลับบ้านแยกทางกันผมนั่งใจระทึกมาในรถพอถึงด่านแต่ละทีนี่ใจตุ้มต้มต่อมๆแต่ก็พ้นมาได้อย่างดีจนถึงเมืองชนไปนอนกับเพื่อนที่มีอาชีพเดียวกันบอกว่าผมเนี่ยหนีผู้หญิงคนหนึ่งผมขับรถชนไม่รู้ว่าเป็นหรือตายพ่อเพื่อนคนนี้ก็พลอยตกใจแล้วก็ทุกข์ใจช่วยผมซ่อนตัวเป็นอย่างดีพอเช้าขึ้นกินข้าวกินปลาแล้วผมก็จับรถเมย์ต่อไปสีราชาเรื่องการฆ่ากันตายนั้นผมปิดไว้ไม่ไว้ใจใครทั้งนั้น บอกเพียงว่าขับรถชนคนแล้วก็หนีพวกอาชีพเดียวกันมันไม่ฆ่ากันยิ่งคิดก็ยิ่งช่วยเหลือกันผมมาซ่อนอยู่ในป่าที่ศีราชาในไร่เพื่อนโดยไม่มีใครสงสัยแล้วก็บอกกับเพื่อนว่าขับรถชนคนแล้วก็หนีมาซ่อนตัวผมไม่ยอมออกมาที่ตลาดสีราชาเลยผมซ่อนตัวอยู่ได้หนึ่งเดือนก็มีจดหมายจากเพื่อนในกรุงเทพมาถึงผมมีใจความว่าพิพัดเพื่อนรักแกถูกผีหลอกเว้ยแกไม่ได้ฆ่าใครแล้วก็ไม่ได้ขับรถชนใครทั้งนั้น กันไปสืบซักจนถึงที่เลยไม่มีบ้านคนอย่างที่แกว่าสักหลังเดียวมันเป็นที่ว่างเขาจะสร้างโรงงานอะไรก็ไม่รู้บ้านไม่มีเป็นพงรกไปทั้งนั้นแต่ว่าซอยเล็กที่แกว่านั้นเนี่ยมีจริงซึ่งมันเป็นซอยตันแถวนั้นไม่มีใครพูดอะไรกันเลยไม่มีการฆ่ากันที่ไหนเลยข่าวหนังสือพิมพ์ก็ไม่มีมีอย่างรึคนตายทั้งสองศพเรื่องจะไม่แดงขึ้นการทําเป็นไปกินกาแฟแถวนั้นแล้วก็ถามเจ๊กร้านกาแฟว่าที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นที่ของใครถ้าจะแพง จึงไม่มีคนซื้อเจกบอกว่าเขาซื้อนานแล้วจะตั้งโรงงานกันแต่ก็ยังเป็นความพี่พน้องๆกันก็เลยยังตั้งโรงงานกันไม่ได้เมื่อสองสาปีก่อนเนี่ยมันมีบ้านอยู่หลังหนึ่งเป็นบ้านสองชั้นผัวเมียเนี่ยไปถูกรถยนต์ชนตายบ้านนั้นเนี่ยญาติก็เลยไม่อยู่ผีดุเลยรื้อถวายวัดไปนานแล้วเมื่อรือหนีมารถแท็กซี่คันอื่นก็ถูกหลอกอย่างรือวะ่ะแบบเดียวกันเลยถูกตาแก่นั่นพาไปที่บ้านแล้วก็มีการขู่เข็นอย่างรือบอกมานั่นแหละ ตอนกลางคืนไปก็มีบ้านดีครั้นไปกลางวันบ้านนั้นก็ไม่มีพวกแท็กซี่เนี่ยโดนมาแบบลื้อเหมือนกันกลับมาบ้านเถอะเว้ยกลับมาทำมาหากินตามเดิมเถอะไอ้คนผีรักผีจึงล้อเล่นรักและคิดถึงกลึงนี่แหละครับผมโดนหลอกมาอย่างนี้ถูกหลอกแล้วผมก็ไม่รู้ว่าผีหลอกกลายเป็นหนีอาชญากรรมไปผมขับรถเข้าไปในแดนนั้นก็อดเลียวดูไม่ได้เลยเพราะว่าภาพมันยังติดตาผมอยู่